Thank you. พระคุณแม่ตอนที่สี่เราเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าคุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาพระคุณของแม่ยิ่งใหญ่เหลือประมาณอันมือไกวเปรซ้แต่ไรมาคือหักทาครองพิภพบจบสากลชีวิตของเราแม่ปั้นมา คราวนี้ก็มาถึงบทบาทของเราแล้วเราจะตอบแทนและแสดงความกระตันยูอย่างไรจึงจะคู่ควรเหมาะสมกับพระคุณที่ยิ่งใหญ่นี้เพราะมนุษย์เราลำเอียงเข้าข้างตัวเองใครมาถามเราเราก็บอกว่าเรากระตันยูให้คะแนนตัวเองสูงแต่ถ้าให้คนอื่นให้คะแนนเราคงได้คะแนนน้อยกว่าเยอะ อาจารย์เองก็คิดว่าตัวเองกระตันยูพอให้คะแนนเรื่องนี้เทียรยได้ 80% อยู่เรื่อยคะแนนสูงกว่าคนอื่นเพราะอะไรเพราะเรามักไปเปรียบเทียบกับคนที่กระตันยูน้อยกว่าเราเราเลยชนะรู้สึกว่าตัวเองมีความกระตันยูสูงเพราะเราลำเอียงเข้าข้างตัวเองอาจารย์เลยคิดวิธีใหม่ใช้ชื่อว่า สูรท้าชิงแชมป์เหมือนกับนักมวยเขาต้องหาคนที่เก่งกว่าตัวเองโชคไปเรื่อยๆจนหาไม่ได้แล้วสแสดงว่าเราเก่งที่สุดได้เป็นแชมป์พอได้สูตรนี้แล้วอาจารย์ก็มองหาคนยอดกตันยูที่เหนือกว่าเราเพื่อท้าชิงแชมป์ตลอดวันหนึ่งอาจารย์ไปอ่านหนังสือของหม่อมเจ้าหญิงคุณพิสมัยเดชกุล พระธิดาของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทำให้อาจารย์พูดอะไรไม่ออกหนังสือเขียนว่ายังไงตั้งใจให้ดีอาจารย์จะเล่าให้ฟังหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยเล่าว่าท่านพ่อคือกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่สมารดาเป็นสามัญชนชื่อเจ้าจอมมรนดาชุ่ม ท่านหญิงเขียนว่าสเสด็จพ่อรักคุณย่ามากอาจารย์ได้ยินก็ตื่นเต้นกำลังหาแชมป์อยู่พอดีมาดูซิว่าความกระตันยูที่มีจะท้าชิงแชมป์ได้ไหมตอนกรมพระยาดำรงราชานุภาพอายุได้เจ็ดขวบพ่อคือรัชกาลที่ 4, สสุวรรณคตรัชกาลที่ห้าเสวยราชครอบครัวรัชกาลที่สี่ต้องออกจากวัง ลองหลับตาแล้วจะเห็นภาพอายุเจ็ดขวบพ่อตายแม่จูมือออกจากวังว้าเวเดียวดายขนาดไหนยังดีที่ได้บำเหน็จบำนาญเอาเงินมาปลูกวังเล็กๆอยู่แม่ใช้มือเล็กๆนิ่มๆที่ไกวเปลนี่แหละเลี้ยงกรมพยาดำรงราชานุภาพจนเติบโตเติบโตมาในอ้อมแขนของแม่ตลอดในที่สุด รชัชกาลที่5แต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นเสนาบดีที่อยู่นานที่สุดคือ20กว่าปีลูกสาวเขียนบอกต่อไปว่าสเสด็จพ่อรักคุณย่ามากกระตันญูต่อคุณย่ามากเพราะความที่ไม่มีพ่อและคุณแม่เป็นคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กนี่แหละกระตัญยูยังไงกรมพระยาดำรง ปลูกบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งข้างวังให้แม่อยู่เพราะตัวเองต้องว่าราชการในเวลากลางคืนด้วยกลัวจะรบกวนแม่จึงสร้างบ้านให้แม่ต่างหากข้างวังตอนเช้าเสด็จพ่อแต่งตัวเสร็จแล้วรถประจำตําแหน่งพร้อมท่านเดินลงบันไดวังมาหาแม่ไปกราบแม่ก่อนแล้วจึงไปทำงาน ถ้าแม่นั่งเก้าอี้ก็จะก้มลงกราบที่เท้าเอาหน้าผากคลึงกับหลังเท้าแม่สิริมงคลก็จะวิ่งจากปลายเท้าแม่มาเข้าหน้าผากลูกกราบเท้าเสร็จก็คุยกับแม่ถามแม่ว่าแม่ต้องการอะไรยาหอมอยาลมยาหม่ อ, มองหมดหรือยังแม่อยากกินอะไรไหมเลิกงานแล้วจะซื้อจากบางลำพูมาฝาก คุยกับแม่เสร็จก็ออกไปทำงานเย็นเลิกงานแล้วก็แวะซื้อยาลมยาหอมมาฝากแม่แถมหิ้วผลไม้ถุงใหญ่ติดมือมาด้วยในประเทศไทยนี้มีสกี่คนที่ก่อนไปทำงานกราบเท้าแม่คุยกับแม่เลิกงานแล้วซื้อของมาฝากแม่มีกี่คนครับแม่มีบุญคุณยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ไม่ค่อยมีใครห่วงแม่ ส่วนใหญ่ห่วงแต่ลูกกลับมาซื้อของมาฝากลูกไม่สนใจพระอรหันต์น่าคิดนะแต่ถ้าวันไหนเข้ามาแล้วแม่นั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิกรมพระยาดำรงจะก้มไปกราบที่ตักที่จริงไม่ได้กราบตักแต่ตั้งใจจะกราบเท้าที่ซ่อนอยู่ใต้ตักต้องการจะกราบเท้าแม่ทำไมจึงต้องกราบเท้าเขาบอกไว้ว่า การทำความเคารพต่อผู้มีพระคุณสูงสุดต้องเอาสิ่งที่สูงที่สุดในตัวเราไปสัมผัสกับสิ่งที่ต่ำที่สุดในตัวท่านสิ่งที่สูงที่สุดในตัวเราคือหัวหรือหน้าผากสิ่งที่ต่ำที่สุดในตัวท่านคือเท้าเอาสูงสุดสัมผัสต่ำสุดถือว่าเป็นสิริมงคลกราบเป็นการทำความเคารพสูงสุดทําให้เจเริญรุ่งเรือง พวกเราเคยเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ไหมเราขึ้นต้นจดหมายว่าอย่างไรกลับเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยกลับเท้าพ่อแม่กลับไปกลับซะกลับไปใช้นี่กรมพระยาดำรงกลับมาตอนเย็นสมวยอาหารเย็นเสร็จแล้วตอนสามทุ่มก่อนนอน จะเดินมากราบแม่แล้วจึงไปนอนมากราบแม่คุยกับแม่5นาที10นาทีมาเยี่ยมแม่มาทําให้แม่ชื่นใจเสียก่อนแล้วจึงไปนอนตกลงว่านี่คือแชมป์เป็นลูกยอดกตันยูกราบเท้าแม่ตอนเช้ากราบเท้าแม่ก่อนนอนความที่เป็นลูกยอดกตันยูตายแล้วเหมือนไม่ตาย รูปปั้นกลมพระยาดำรงอย่างนั่งอยู่บนเก้าอี้หน้ากระทรวงมหาดไทยใครมาเป็นประหลัดกระทรวงใครมาเป็นรัฐมนตรีใครจะมาเป็นใหญ่เป็นโตต้องมากราบพระบาทแล้วจึงจะไปนั่งเก้าอี้คนกระตันยูแม้ตัวจะตายแต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีไม่เคยตายพวกเราทุกคนมีมือสองมือเท่ากลมพระยาดำรงไหม มีนิ้วสิบนิ้วเท่ากลมพระยาดำรงไหมมีสิทธิ์ที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เหมือนกันไหมพวกเราทุกคนไม่ว่ารวยจน4 7 4 8 4็ทุกคนมีเหมือนกันหมดแต่ทำไมเราไม่กล้ากลับพ่อแม่เรากลับสู้กลมพระยาดำรงไม่ได้ตัทมนตรีมหัทไทยก่อนออกจากบ้านกลับแม่ ก่อนนอนกราบแม่เป็นมงคลแก่ชีวิตเบื่อเกินประเทศไทยมีกี่คนกันอาจารย์ภูมิใจตัวเองเหลือเกินว่าเป็นลูกกระตันยูเวลาเงินเดือนออกอาจารย์จะเอาไปให้แม่ที่รักเพราะแม่เป็นแม่ชีชวนลูกกับเมียไปด้วยตื่นเช้าเดินผ่านห้องแม่ก็เอามออปัสสาวะมาเทเดินลงบันไดรู้สึกตัวเบา ภูมิใจว่าเราเป็นลูกกระตันยูปกติสวดมนต์จะกราบห้าครั้ง 1. พระพุทธสองพระธรรม 3. พระสงฆ์ 4. มันดาปิดา 5. ครูอาจารย์วันหนึ่งแม่มาพักที่บ้านด้วยก่อนนอนก็เข้าห้องพระสวดมนต์สวดมนต์เสร็จก็กราบห้าครั้งเหมือนเดิม พอกราบถึงครั้งที่สีหมอนมันหัวเราะมันบอกว่าวันนี้แม่มาอยู่ด้วยไม่ใช่หรือแล้วทำไมไม่ไปกราบที่ตักแม่เองอาจารย์ก็ผัดกับหมอนว่าขอเป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันพอวันรุ่งขึ้นสัญญากับหมอนไว้แล้วว่าจะกราบแม่ก่อนนอนก็ไปคุยธรรมะกับแม่พอได้เวลานอนอาจารย์ก็ยกมือเตรียมจะกราบ แต่ก็ไม่กล้าตกลงวันนั้นก็เลยไม่ได้กราบกราบไม่สำเร็จทำดีเหมือนเข็นคลบขึ้นภูเขาเสียหน้ามากวันพรุ่งนี้เอาใหม่จะต้องกราบให้ได้ทำยังไงดีวางแผนแล้วอาจารย์มีลูกสาวคนหนึ่งกำลังเรียนอนุบาลก็บอกลูกว่าถ้าอยากเรียนเก่งให้ไปนนดคุณย่า พอนุดไปนานพอสมควรอาจารย์ก็บอกกับลูกว่าได้เวลาไปนอนแล้วลูกมากราบคุณย่าซะพอลูกสาวก้มลงกราบอาจารย์ก็กราบด้วยพร้อมกับลูกคุณย่ายิ้มแก้มปริเป็นภาพที่สวยที่สุดอนุสศาสนาจารย์สอนคนทั่วประเทศที่ไหนได้ต้องอาศัยบารมีลูกกราบแม่แก้เขิน เมื่อก่อนอาจารย์สงสัยมากเวลาเราเอาอาหารไปถวายพระยกไปตั้งไว้หน้าพระแล้วพระยังบอกว่าให้ประเคนด้วยคือต้องส่งอาหารให้พระแล้วพระก็เอื้อมมือมารับพระจึงจะฉันได้อาจารย์ไม่เข้าใจว่าทาไมต้องประเคนแต่พอมาถึงวันนี้อาจารย์เข้าใจแจ่มแจ้งเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวอาจารย์เอง ลูกสาวของอาจารย์เขาซื้อขนมมาวางไว้บนโต๊ะพออาจารย์รับประทานอาหารอิ่มก็หยิบขนมรับประทานเวลาผ่านไปประมาณ30นาทีลูกสาวอาจารย์กลับมาเขาถามว่าขนมของหนูซื้อมาให้ลูกหายไปไหนใจหายแวบใจแป้วเลยเราเราไปแย่งขนมหลานกินซะแล้วเขาไม่ได้ซื้อมาให้เราเขาไม่ได้ซื้อเผื่อเราด้วย เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาจะกินต้องดูว่าเขาประเคนให้เราหรือยังลูกๆทุกคนจงจำไว้เวลาซื้ออาหารขนมนมเนยไปฝากพ่อแม่ต้องส่งให้ท่านกับมือดีที่สุดคือตักใส่ปากท่านอย่าไปวางไว้เฉยเฉยเดี๋ยวพ่อแม่จะต้องเสียใจเหมือนกับอาจารย์